นักป่าประตูแห่งความตายบานประตูแห่งความตายแท้จริงคือบานเดียวกันกับประตูแห่งการเกิดสุดแท้ตต่ ว, ว่าใครจะเห็นประตูจากห้องเดิมหรือห้องใหม่รู้เวลาตายที่แน่นอนไม่ประเสริฐเท่าพร้อมที่จะตายแบบไม่แน่ไม่นอนทุกเวลา ความตายสำหรับคนที่ยังรักชีวิตคือจุดจบที่น่ากลัวความตายสำหรับคนที่ยังห่วงใยญาติมิตรคือการจากไปที่น่ากังวลความตายสำหรับคนที่ยังติดใจในกามคือการออกจากฝันดีที่น่าเสียดายความตายสำหรับคนที่เบื่อโลกคือจุดจบที่น่าปรารถนาความตายสำหรับคนกำลังน้อยใจใครต่อใครรอบข้าง คือการจากไปที่น่าสะใจความตายสาหรับคนที่ผิดหวังในกามหรือความรักคือการออกจากฝันร้ายที่ขมคืนเสถียคนเราตายเหมือนกันแต่รูปแบบการตายต่างกันความเชื่อเกี่ยวกับความตายก็ต่างกันการมีชีวิตอยู่อีกนานทำให้ความตายกลายเป็นเรื่องไกลตัว แต่ความตายที่กำลังรออยู่ตรงหน้าทำให้การมีชีวิตอยู่ที่ผ่านมากลายเป็นเพียงความฝันเหลวไหลที่กำลังจะเลือนหายไปจนหมดสิน้นศาสนาต่างๆพูดถึงชีวิตหลังความตายต่างกันแต่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนเราควรตายอย่างสงบสุขแม้ใครที่ไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าก็ต้องการตายอย่างสงบสุขเช่นกัน พุทธเราเพิ่มให้อีกนิดหนึ่งคือบอกว่าอย่าตายเปล่าอย่าเอาแค่ตายด้วยความเป็นสุขถึงแม้ตายขณะจิตเป็นสมาธิขั้นชานอันอิ่มสุโอลานเกินทิพยพยรถในสวรรค์ก็ยังนับว่าน้อยไปไม่คุ้มกับการมีโอกาสเป็นมนุษย์พุทธเราขอให้ตายอย่างเข้าใจเข้าใจว่าที่ตายไม่ใช่เราแม้ที่เกิดมาก็ไม่ใช่เรา เราเป็นแค่ความรู้สึกเป็นแค่เงาลวงที่สร้างขึ้นมาจากความเข้าใจผิดคิดว่ากายใจเป็นอัตตาตัวตนที่แท้จริงถ้าเข้าใจถูกก็จะรู้ว่ากายใจเป็นแค่ที่ตั้งของความเข้าใจผิดเห็นอยู่ชัดๆว่ามันปรวนแปรแก่ไปเรายังเคยอุตส่าห์อยากให้มันเหมือนเดิมเห็นอยู่ชัดๆว่ามันก้าวสู่ความแตกดับเรายังอุตส่าห์หวังให้มันคงอยู่ต่อ อาการที่จิตยึดเหนี่ยวกายใจอย่างเหนี่ยวแน่นสะท้อนถึงความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับกายใจมาตลอดภาวะใกล้ตายนับเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะทำความเข้าใจเสี้ยใหม่ให้ถูกต้องหากทำได้ช่วงสุดท้ายนับว่ามีค่ากว่าทุกช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดเห็นคนตายก็หมายรู้เดี๋ยวกูด้วย ีกไม่ช้าชราป่วยแล้วมวยศูนศพวางนอนอย่างขอนไม้คล้ายอิดปูนรอขึ้นเผาให้เอาศูน์มานับกายเหลือเพียงชื่อให้เลือจําทำไมเล่าเขาก็รอคอขึ้นเขียงเรียงจาดหายเหมือนกับเราเฝ้าจดจาแล้วกลับตายชื่อก็วายกายก็วางว่างหมดกัน การรู้ที่แท้จริงคือรู้ว่ากำลังเห็นอะไรอยู่ด้วยตาหรือด้วยใจการเห็นที่แท้จริงคือเห็นว่าสิ่งทั้งหลายคือภาพลวงตาชั่วคราวคนบางคนเกิดมาเพื่อสารววนวุ่นกับการเพ่งดูว่าใครดีใครไม่ดีสุดท้ายเขาก็ตายเปล่าโดยไม่รู้เลยว่าตัวเองดีหรือไม่ดี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 ไม่ตรหนักว่าเพียงเลิกคิดแล้วลงมือจัดการเขาจะพบผ่านชีวิตใหม่แทบไม่เหลือปัญหาหน้าหนักใจเพราะตรงหน้ามีแต่งานใหญ่น้อยให้สนุกทำไม่ปล่อยให้ชีวิตน่าเบื่ออยู่กับความว่างงานเลิกแชรอยู่กับความว้าวุ่นเปล่าคนบางคนเกิดมาเพื่อคิดถึงแต่ตัวเอง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 คนบางคนเกิดมาเพื่อพบคำตอบที่ถูกโจทย์ชีวิตจึงง่ายลงหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้มีให้ดูเพียงใดมีให้รับเท่าไหร่มีให้สละแค่ไหนก็ให้เป็นไปตามนั้นไม่ถือสิ่งใดให้หนักมือเรียบง่ายเหมือนเดินทางเท้าเปล่าโดยปราศจากพิธีรีตองไปจนถึงปลายทาง